ในบัดนี้และในใจดวงนี้ไม่เนินนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้ยสุขด้ทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ทำทุกบททุกบาทที่าศาสดาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมรื่องขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกไปโดยลําดับจนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เ ค, เคยเกิดตายนี่อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้งสามภพลงในไตร ล, ลักษณ์ที่หมุนไปได้อนิจังทุกขังอนตตา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 แต่จะสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยิดได้ว่าเป็นปชิมโอวาดเพราะท่านมาลงเอยในยสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระประชิมโอวาดที่พระพระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่สงเวลาจะเสด็จปรปนิพพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนพระภิกษทุทั้งหลายบัท น, นี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไป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 ที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุค น, นั้นๆบ้างจากความจำของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้านก่อนจะ ร, ระวงปลวมาไดา้มาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศสิสะเพราะความสับสนแห่งจำนวนและเนื้อเรื่องที่คลเคล้ากันก็เป็นเวลาแลมปีในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจําของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซนก็ออกได้ราวเจ็ดสิบเอร์เซนเท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไป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 เมื่อได้อ่านประวัติของท่านก็เกิดความสนใจจนกลายเป็นความร้อนใจที่จะได้ทราบถึงการปฏิบัติของท่านในทางวิปัสสนาแต่หนังสือเล่ม น, นี้ก็ไม่ได้บอกไว้คงบอกแต่วัฏฏะปฏิบัติของท่านเช่นท่านนั่งสมาธิเวลาใดเดินจงกรมเวลาใดฉันอาหารจากบาทเป็นประจำและฉันวันหลลผลเหล่านี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของท่านเพื่อไปพำนักอยู่ในที่วิเวกตามป่าเขาหรือในถ้ำ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 เทาที่ทราบจากหนังสือเล่ม น, นี้เทวดาที่จังหวัดสกลนครมีน้อยกว่าเทวดาที่เชียงใหม่ขอให้ชาวจังหวัดสุกลนครนักเสือว่าเป็นกรรมก็แล้วกันอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยแต่ในเรื่องนี้ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่ว่าในหนังสือเล่ม น, นี้เองปรากฏว่าพระอาจารย์มั่นท่านตอบในเรื่องบางอย่างมีเหตุผลดีที่สุดเป็นต้นว่ามีผู้มาถามท่านว่าผีมีจริงไหมท่านก็ตอบว่า ผีท <Hani> <an> ี่ทําให้คนเกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันนั้นเป็นผีที่คนคิดขึ้นทีใจว่าผีมีอยู่ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างผีจะมาทําลายบ้างต่างหากจึงพาให้เกิดความกลัวและเป็นทุกข์กันมาถ้าอยู่ธรรมดาไม่ก่อเรื่องผีขึ้นทีใจก็ไม่เกิดความกลัวและไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นผีจึงเกิดขึ้นจากการก่อเรื่องของผู้กลัวผีขึ้นทีใจมากกว่าผีจะมาจากที่อื่นหรือเมื่อมีผู้มาตั้งปัญหาถามท่านว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนท่านตอบว่า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 อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นจบแล้วก็ได้แต่ถามตนเองว่าที่หลวงพ่อมัน่นท่านพอสู้กับความโง่หลงงมงายมนุษย์นั้นท่านได้ชัยชนะทำให้ใครได้ฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่าอันเนื่องมาแต่ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัสเถระหมอมหลวงกิตินพวงศ์ค่าจากหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์ฉบับที่หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า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 แต่ก็ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความจริงแท้มิใช่สักแต่ว่าเป็นเหตุที่คนสามปัญญาคว้า ม, มาถือแล้วก็ไม่ถือไว้ตามลำพังตนยังพยายามจะให้คนอื่นทั้งหลายถือไว้เหมือนตนด้วยเหตุกลายเป็นผู้สามปัญญาเหมือนตนด้วยก็ถูกต้องที่ไม่มีปรากฏในพระบาลีว่าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะมาสนทนาธรรมกับคนที่ยังไม่นิพพานแต่ก็ไม่มีปรากฏในพระบาลีเลยว่า พระอาหารหันต์ที่นิพพานแล้วจะมาทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดในกรณีนี้เหตุผลต้องอยู่ที่ตรงนี้อะไรที่ไม่ถูกนำมาเอ่ยนั้นไม่จำเป็นต้องไม่มีอยู่ปราทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงทั้งหลายท่านทรากในขณะที่จอมปราจอมปลอมไม่อาจรู้ได้ว่าว่านอกจากธรรมที่ปรากฏในพระบาลียังมีอะไรอะไรที่อัศจรรย์วิกิพีตานอีกมากนกะผู้ที่เกิดมาไม่เคยปฏิบัติธรรม หมก ม, มุ่นวุ่นวายอยู่แต่กับความสกปรกโสกโรครธทุกลมหายใจเข้าออกจะรู้จักสิ่งบริสุทธิ์สูงส่งหาได้เสมอเหมือนมิได้ได้อย่างไรระหว่างพระกับมานใครหลงเชื่อมารมารก็พาไปนรกเท่านั้นท่านอาจารย์ม่านก็ตามท่านอาจารย์พระมหาโมก็ตามท่านเป็นพระหรือถ้าม่อยากจะเชื่อใครทั้งนั้นในเรื่องนี้อยากจะเชื่อตัวเองก็ต้องทําตัวเองให้เหมือนท่านอาจารย์ท่านเสียก่อน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 ปฏิเสธสก่อนว่าพระพุทธธรรมประสงค์สาระสูงสุดของเราไม่มีในปัจจุบันปฏิเสธสก่อนว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพไม่มีในปัจจุบันแล้วนั่นแหละจึงปฏิเสธเรื่องราวระหว่างพระอรหันต์ที่ท่า น, นผ่านแล้วกับท่านพระอาจารย์มั่นได้ต่อปัญหาของท่านผู้ถามเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระโดยพระมหาบัวญานสัมพันโนวัดป่าพันตาตุดรธานี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 จึงทำให้วิวตกถึงปฏิเวทธรรมที่เป็นผลแสดงขึ้นในลักษณะต่างๆกันจากการปฏิบัติของท่านผู้บาเพ็ญอยู่ไม่น้อยว่าน่าจะเป็นธรรมสุดเอื้อหมดหวังในสมัยปัจจุบันเพราะความจริงใจในธรรมน้อยเนื่องจากทุ่มเทไปทางอื่นเสียมากไม่ได้คำนึงเหตุผลพอประมาณจึงอดคิดเป็นห่วงม่ได้ในเรื่องดังกล่าวมาเฉพาะ อ, องค์ท่านพระอาจารย์มั่น ที่ผู้เขียนเทิดทูลสุดจิตสุดใจนั้นแม้ท่านจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และตหนิติชมในลักษณะยกขึ้นทุ่มลงหรือด้วยวิธีการใดๆจนไม่มีชิ้นส่วนอะไรติดต่อกันและกลายเป็นผุยผงไปตามอากาศก็าตามผู้เขียนไม่ได้มีอะไรหวั่นวิตกไปด้วยท่านเลยแม้กิเลจะแสนหนาแน่นภายในใจอยู่ขณะนี้ก็เถิดแต่ที่ไม่แน่ใจอยู่เวลานี้คือความรู้ภายในของท่านพระอาจารย์มั่นประเภทที่ลึกลับซับซ้อน เกินกว่าความคาดคิดดนดาวของสามัญธรรมดาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองพระไตรปิฎกแต่ไม่เคยสนใจมองลู้เข้ใจทนว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยมีแต่เที่ยวกว่าต้อนล่าธรำท่านที่รู้เห็นจากการปฏิบัติทางจิตตภาวนาในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นให้เข้าสู่วงจํากัดคือพระไตรปิฎกโดยทายเดียวนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงมากกลัวว่าอกจะแตกไปสัก่อนทั้งที่ทำท่านที่กําลังถูกกวาต้อน ก็ยังไม่เข้าโู่จุดมุ่งหมายให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีเหตุอันควรกล่าวถึงองค์ท่านอาจารย์ม่านอีกผู้เขียนก็จะกล่าวถึงความรู้ท่านที่ยังไม่เคยกล่าวเสียบ้างเผื่อท่านที่มีความสามารถในทางนี้จะได้ช่วยกวาดต้อนติชมไปตามนิสัยซึ่งอาจเป็นการช่วยสังขายากรกรองทาเทินให้หมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ทำของจริงร่วนๆหากอยู่ในฐานะที่ควรเป็นได้ลาพังผู้เขียนเพียงคนเดียว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 หลังจากตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วจนถึงการเสด็จปรินิพานว่ามีมากต่อมากราวทองฟ้ามาหาสมุทรสุดจะประมาณได้ธรรมที่เป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในวิสัยของสาวกเจพึงรู้ได้ก็ดีธรรมที่อยู่ในวิสัยของสาวกวางองอาจรู้ตามได้แต่ไม่อาจแสดงให้แก่ใครรู้และเข้าใจได้ก็ดียังมีอีกมากมายท่านว่าธรรมที่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 จึงมีทางบารรลุมรรคผลได้ง่ายและมีจํานวนมากมายเหลือจะพรันน า, นาบรรดาธรรมเหล่านั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกแสดงย่อมเห็นผลประจากแค่ผู้รับฟังอย่างถึงใจส่วนพระไตรปิฎกที่พวกเราศึกษาจดจํากันมานั้นมีใครบ้างได้บรรลุมรรคผลในขณะที่กําลังฟังและศึกษาอยู่แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันมีผลเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมทั้งสองนั้นธรรมใดเป็นธรรมที่มีคุณค่าและน้ําหนักมากกว่ากันเล่า ลองพิจารณาดูสิพวกท่านทว่าผมหาเรื่องปลาเถินมาพูดสําหรับผมเองมีความรู้สึกอย่างนี้และเชื่ออย่างเต็มใจว่าทำจากพระอษฐ์นั่นแหละคือทำประเภทถอนรากถอนควรกิเลสทุกประเภทได้อย่างถึงใจทันควันต่างพระองค์ทรงใช้ถอนถอนกิเลสแก่มวลสว์มาแล้วจนสะเทือนโลกทั้งสามผมจึงไม่ประสงค์และส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเย่อหยิ่งทําตัวเป็นตัวบุ่มตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคำพีเวลาอยู่เปล่าๆ โดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวไปมัวระยุตดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้วทั้งที่กิเล ย, ยังกองเต็มหัวใจยิ่งกวา่าภูเขาไฟไม่ได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบารานเปล่าเรียนปเปล่าและตายทิ้งปเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย การกล่าวทางนี้ผมไม่ได้กล่าวเพื่อประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าทำย่อมเป็นธรรมทั้งธรรมในใจและธรรมนอกใจคือธรรมในบาลีพระไตรปิฎกแต่ธรรมในพระทัยที่พระพระุทธเจ้าทรงแสดงเองพุทธบริษัทได้บุรุษมรรคผลต่อพระภักของพระองค์แต่ละครั้งมีจำนวนมากส่วนธรรมที่จารึกขึ้นสู่คัมภีร์เวลานั้นมีผลผิดกันอยู่มากดังที่ปรากฏในตำราฉะนั้นธรรมในพระทัยจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วน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 ผู้เขียนไม่อาจวินิจฉัย ใ, ให้หายสงสัยได้เพียงแต่ประคองร่างเสื่อชีวิตไปเป็นวันๆก็ยังหกล้มก้มกราบอยู่แล้วจึงจึงกรุณาเห็นใจและขออภัยมากๆไว้ณที่นี้ด้วยส่วนท่านที่ถามมาตามหนังสือสยามรับตอนสุดท้ายว่าที่หลวงพ่อมันท่านต่อสู้กับความโง่หลงงมงางของมนุษย์ท่านได้ชชยชนะทาให้ใครได้ความฉลาดขึ้นหรือไม่หรือว่าท่านตายเปล่า สำหรับท่านผู้เขียนประวัติท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนั้นถ้าพอมีสติระลึกตนได้อยู่บ้างว่าอย่างโง่ยังหลงทำ ง, งานอยู่หรือไม่หรือฉลาดจนถึงไหนแล้วได้เห็นว่าวิธีการที่ท่านดําเนินเป็นนิยานิยธรรมอยู่บ้างทํานั้นและวิธีนั้นก็ทําคนโง่ให้ฉลาดและทําคนหลงให้รู้สึกตัวได้ไม่ตายเปล่าแบบท่านอาจารย์มั่นซึ่งกําลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้ไม่มีใครอาจแก้ให้ถูกไปได้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 ท่านเป็นพระประเภทใดผู้เข็นไม้กล้าอาจเอื่อมวิชารณ์ธรรมท่านได้กลัวตกนรกทั้งเป็นอย่างอะไราเสียดายอ ย, อยู่ในโลกเหมือนคนทั่วๆไปอยู่การที่ความรู้ความเห็นของท่านพระอาจารย์มั่นจะมีในพระบาลีหรือไม่นั้นถ้าพระตัดปลายปีดกไม่ได้ตั้งตัวเป็นกองปราบพรามผูกขาดผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิจะรู้ได้ในทรรทั้งหลายตามวิสัยของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทร ง, ทงทรู้เห็นมาก่อนพระไตัปลายปีดกยังไม่อุบัติ ถ้าทำเหล่านี้และท่านเหล่านี้จะพอเป็นความจริงเป็นความถูกต้องได้และเป็นสาระของโลกได้ก็เป็นมาก่อนพระบาลีแล้วถ้าปลอมก็ปลอมมาแล้วยังไม่มีปัญหาจึงขอให้ท่านวินิจฉัยเลือกเอาตาม ช, ชอบใจว่าจะเอาพุทธทางธรรมังสังขังสรารนังขฉามิหรืออะไรอะไรผ่านสายตาสัมผัสใจก็สรนังขฉามิร่าไปแบบกินไม่เลือกแต่เวลาเจอก้างเอวัง